เทศอบรมพระวันที่23เมษายน2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เร่เรียบตลอดไปพระพุทธเจ้าสอนตนได้แล้วจึงสอนโลกเราก็รีบสอนตนให้ได้มีหลักธรรมก่อนค่อยสอนคนอื่น ความอ่อนแอทอแท้เป็นเศษเดนของกิเลสยานำเข้ามาทำลายใจจะ ก, กลายเป็นเศษเดนหาคุณค่าไม่ได้ตอนท้ายแห่งกันพูดอนาปานสสติเป็นหลักยึดพุทโธเป็นต้นก็เช่นเดียวกันเพื่อเป็นหลักยึดของจิตเพื่อตั้งตัวได้เทศเข้มข้นถึง น้ำส้มน้ำหวานน้ำอ้อยน้ำตาลพุ่มปากพระทำงอกเงยขึ้นไม่ได้รู้อะไรไม่เหมือนรู้จิตรู้วาระจิตกันนี้อาจให้ใครๆได้ทั่วไปทั้งเทศและพูดในกันนี้ดังที่เห็นกันอยู่นี้จะมีน้อยเต็มที่แต่ความสงบสุขจะมีมาก เพราะศาสนาธรรมเป็นธรรมที่สอนโลกเพื่อความสงบสุขโดยความตัง้งพระพุทธเจ้าก่อนจะสั่งสอนโลกทรงท ร, รเพระองค์งมีความสงบสุขอย่างเต็มภูมิมาแล้วจึงได้ประกาศสอนธรรมทั้งเหตุที่ทรงนำเนินเพื่อความเป็นสุขหรือสงบสุขนั้น ว่าทรงดำเนินมาอย่างไรทั้งผลที่ทรงได้รับคือความสงบสุขเต็มภูมินั้นว่าเป็นสิ่งที่พื้นปรารถนาของสัตว์โลกมากมายเพียงไรพระองค์ได้นำทั้งเหตุทั้งผลออกแสดงโดยพระองค์เป็นผู้รักประกัน ในคุณธรรมอันสำคัญตั้งไปฝ่ายผลนี้เมื่อเริ่มประกาศสอนธรรมผู้ที่ได้รับความเชื่อความนับถือตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงดำเนินมาแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามในทันทีทันใดเช่นอย่างพระเดนจับกบีทั้งห้า นี่คือปฏิบัติตามทางด้านจิตใจในขณะที่กำลังสนับธรรมของพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะมจากลับพลวัตนาจุให้เป็นระบิสฐ์สังและแสดงอณัตต์รักอนัตตสุขให้ฟังจิตคล้อยตามหลักความจริงของธรรมจนได้บรรลุ ตามความหมายแห่งธรรมเป็นขั้นของธรรมเป็นขั้นขั้นไปถึงได้ถึงขั้นอรหัตภูมิซึ่งเป็นขั้นที่สง บ, บอย่างเต็มภูมิจากนั้นต่างองค์็ต่างประกาศาศาสนาด้วยความเมตตามีพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระเมตตาอย่างเอกในโลกไม่มีใครเสมอเหมือนเป็น ผู้นำของศาสนาแล้วมีพระสาวกเป็นผู้ช่วยพุทธภาระของพระองค์ด้วยความเมตตาเช่นเดียวกันศาสนาจึงได้กระจายไปสู่จิตใจของประชาชนกว้างขวาขงไปโดยลำดับวิริยาการของประชาชนซึ่งกำลังหาหลักหาเกนฑหาที่ยึดที่เหนี่ยวอยู่แล้วเมื่อเด ภาพของจิงเช่นนั้นตางจิตใจก็น้อมยึดถือและปฏิบัติตามโดยทันทีเป็นลำดับลำดับไปปรากฏว่ า, า, วาพุทธศาสนา ม, ามีความกว้างขวาง ม, มากในระยะที่พระองค์ทรงพระชนอยู่45พระพัรษาประกาศศาสนาได้อย่างกว้างขวาขงประชาชนได้นับความ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 โรคภากำเริบย่อมทำให้คนไข้ระส่แระสายควรวายในอิเดียบททั้งสี่ไม่ทราบจะยักยังอยู่ในอิเียบทใดให้เป็นที่ผ่อนหนักผ่อนเบาเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของโรคภายในกายได้บ้างจนไม่มีที่จะตรงหว่ง เมื่อโรคสงบลงเพราะถูกยาคนไข้ก็ได้หลับได้นอนได้พักผ่อนตัวสะดวกสบายเช่นหมอหรือผู้มาเยี่ยมคนไข้ถามว่าเป็นยังไงเมื่อคืนนี้หนึ่งพักบ้างหรือเปล่าบอกว่าได้พักเมื่อเมื่อคืนได้พักสบายบ้างเขาได้พักบ้างเป็นครั้งคราวบ้าง บางรายไม่ได้พักเลยนั่นหมายถึงว่าโรคไม่สงบคนก็ไม่สงบคนไข้ไม่สงบเมื่อโรคสงบคนไข้ก็สงบสงบมากน้อยคนไข้ก็มีความสงบสบายถึงกับหายจากโรคไปเพราะอานาแห่งยานี่โรคของกิตแห่งจักรโรคก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันโรคอันนี้ทานเรียกว่าโรคดื้อรังเคยฝังมา ถ้าเป็นนาคแก้วก็ทะลุดินหนาแสนหนานี้ไปหมดเพราะฝังทีเดียวฝังมาเป็นเวลานานฝังรากฝังฐานภายในจิตใจแัดลูกให้เยียน่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ทราบว่าพบน้อยพบใหญ่พบไหนต่อพบไห น, ไหนเช่นเดียวกับตาลอยโคในคอก ไม่อาจทราบได้เลยว่ารอยโค่นในคอกมันไปยังไรมายอยงไรเพราะเหยียบย่ำแหลกไปหมดนี่เพราะความเป็นมาแห่งภพชาติซึ่งเนื่องมาจากวิลิยตัวก่อเหตุตัวผลักดันให้เป็นไปเป็นมาอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานาะนแล้วก็มาทำจิตใจของสัตว์โลกใข้วุ่นวายในเมื่อ ตั้งพบตั้งทราบขึ้นมาแล้วเพราะอำนาจกิเลสประเภทหนึ่งส่วนประเภทที่ฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ก่อกวนวุ่นวายอยู่เสมอจึงทําให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้เพราะรกิเลสเกาะกวนิเลสมีหลายประเภทถ้าเรียกว่าโรค ก, ก็โรคร้ายชนิดมากภายในจิตใจของคนแต่และคนไม่เหมือนคนไข้ที่ไป รักษาตามโรงพยาบาลต่างๆบางคนมีโรคเดียวบางคนมีสองสามโรคแต่ภายในจิตใจของสโรคนี้มีโรคล้ายชนิดมากทีเดียวโรคใหญ่ๆที่ตั้งหลักตั้งฐานให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือโรคแห่งความโลภโรคแห่งความโกรธโรคแห่งความหลง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 โดยเจ้าของไม่นำพาไม่เหลียวแหล่เยีออยวยารักษาบ้างหรือไม่วิธีไม่รู้วิธีรักษาเลยนั้นใจดวงใดก็ตางจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะโรคชนิดนี้เสียแทงอยู่ตลอดเวลาแล้วลผู้ใดที่จะมีความที่มีความสามารถฉลาดรู้หาโอสดอันสำคัญมาแก้โรคชนิดนี้ให้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 ในควาขว้างออกไปโดยลำดับลำดาผู้ิีประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเทจา้าจะงับดับโรคชนิดต่างๆไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากโรคชนิดนี้โดยประการทั้งปวงเมื่อตัวเหตุอันจะพาให้เกิดแก่เก็ดตายและสังสมของทุกขึ้นมามากๆมันสิ้นไปจากใจแล้วใจก็หมด ทุกหมดความลอหมักหมดการจัดจองป่าช้าสถานที่นั้นเกิดสถานที่นี้วกเวียนไปมาจนหาต้นหาปลายไม่ได้นั้นลบล้างไปหมดเพราะลบ ล, าลบล้างตัวสำคัญคือที่เด็กอันเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดเ จ, จ็เจ็บตายได้ภายในจิตใจและโอสถอันนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบเรียกว่าสยัมภูม ทรงรู้เองเห็นเองทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลนอกนั้นไม่มีใครสามารถจึงเรียกว่าสาวกสาวกแปลว่าผู้สะดับจับฟังจะก่อนก่อนที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถึงทำขั้นต่างๆจนกระทั่งถึงความเบืิอสุดบิมุทริพานต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังมาทั้งนั้นไม่จากพระโอษของพระพุทธเจา้าโดยตรงก็จากครูจากอาจารย์ จากภาษาวกงใดองค์หนึ่งด้ื่อยมาเป็นลำดับดังที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจากครูจารอาจารย์มาโดยลำดับเช่นนี้เนี่ยทำนี้เครื่องโอสดเครื่องแก้กิเลสเครื่องระงับหรือเครื่องปราบปรามกิเลสนี้จึงเป็นสิ่งที่หาไดาย้ยากและยากที่บุคคลจะสามารถคน้นคว้า มาทำประโยชน์ได้เต็มทุกเมื่อใจได้รับการเดี๋ยวแหลด้วยอัดรมประพฤติปฏิบัติมีธรรมเป็นหลักเกณฑ์คือมีเหตุมีผลเป็นเครื่องประพฤติเป็นเครื่องดำเนินดูโดยสม่ำเสมอชื่อว่าผู้มีศาสนา ความมีศาสนานั่นก็คือแบบความมีสิ่งอารักขาภายในจิตใจมีเครื่องตักันตัวอยู่ภายในใจจิตใจ ย, ย่อมมีความสงบแม้กิเลสยังมีอยู่อบยังมีขอบเขตไม่ผาดโผลโนวดเต้นไปจนโดยเหตุเลยผมถึงขนาดที่ว่าดูไม่ได้ดังสมัยทุกวันนี้เห็นไหมเขาออกทางคุอผิด แทกจะไม่เว้นแต่ละฉบะับเพราะภาพชนิดนั้นเรื่องราวชนิดนั้นสัตว์โรคที่มีโรคชนิดเหล่านี้เป็นเชื้ออยู่แล้วมันติดได้ง่ายเหมือนกับไฟที่มีเชื้อไฟอยู่ัานยในเตาแล้วโยนปืนเข้าไปมันก็เดี๋ยวมีมากมายอย่างที่เราไม่เคยพบเคยเห็นก็มีขึ้นมาแล้วเลลวลา กำลังเรียนวิชาสัตว์กันไปมากมายวิชามนุษย์ก็เรียนมาวิชาธรรมก็เรียนมาแล้วสุดท้ายก็เวลานี้ก็มิตรจะมักจะเป็นวิชาสัตว์ใช่ไหมถือเป็นแฟชั่นแคฟชั่นถือเป็นศีลัปรุงลปัปรับพลิกแปงเปลี่ยแปลงพูดตอกตาดูก็รู้หูฟังก็ชัด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 ว่าเป็นศิละปะบ้างเป็นแฟชั่นแฟชั่นอะไรบ้างนี่เราเห็นไม่ทุกวันนี่เป็นสิ่งที่ทำโลกให้เสียหายมากมายเสียทางด้านจิตใจซะด้วยถ้าเป็นต้นไม้ก็โค่นรากแก้วของมัน้ลยไม่ต้องไปตัดหญิงตัดคาดทั้งมันคนเมื่อต้นไม้ต้นใดที่ถูกโคน่นรากแก้วแล้วมันจะทนไปได้หรือมันต้องล้มคืนลงไปโดยไม่ต้องสงสัย คนเราสําคัญอยู่ที่จิตใจอะไรจะเอ็งเอียงไปบ้างขาดตกบกพร่องไปบ้างจเจริญบ้างเสื่อมบ้างภายนอกไม่สําคัญเท่าจิตใจที่เสืงไปถ้าจิตใจมีหลักจิตใจไม่เสื่อมสิ่งใดก็พอเป็นไปขาดตกบกพร่องได้บ้างเสียบ้างสุกบ้างทุบบ้างพออดพอทนถ้าใจหาหลักมาได้ได้ล้มเหลวเหมือนกับนาคแก้วที่ถูก ถอนพวดขึ้นมาแล้วต้นไม้ต้นนั้นก็มีแต่ตายท่าเดียวยิ่ใจถ้าลงได้สิ่งตรงนี้ได้ขุดรากแก้วขึ้นมาแล้วก็มีแต่วันจะแหลกลานไปตอนนั้นเองนี่เพราะเหตุอะไรเพราะความห่างเหินศีลธรรมจึงเป็นนั้นมีตั้งแต่กิเลสทันหาอาสวะ หลับตื่นลืมตามีตั้งแต่เรื่องอันเดียวกุ่มรุ่มอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทุกรูปทุกนามทุกเพศทุกวัยสับสนปนเปรระเท่ า, ากันอยู่ด้วยเรื่องอย่างนี้มีแต่เอาเรื่องนี้มาโปะมันเข้าโปะมันเข้าแล้วมันจะทนไปได้ยงไนัดหนึ่งไม่ตายนัดหนึ่งนัดที่สองมันก็ตายได้เพราะมันเป็นยาพิษนี่ นี่เราพูดภายนอกเพื่อเป็นเครื่องเทียบเคียงภายในของผู้ปฏิบัตินี่โลกโลกเป็นอย่างนั้นให้เราดูเอาที่ภายในจิต ท, ที่คิดออกไปในแง่ใดที่เป็นไปเพือความทำลายหรือสังหารตนเองแม้จะไม่แสดงออกมาทงางยิราการภายนอกก็ตามแต่พึงทราบว่านั้นกำลังโคนรากแก้วของตนอยู่แล้วด้วยดีโดยไม่ถงสงสัย พยายามระมัดระวังความคิดเป็นสิ่งสำคัญมากและใจเป็นสมบัติอันล้าค่าเี่ด้วยถา้าไม่ใช้สติปัญญาระมัดระวังพิจิตพิจารณาจริงๆเราจะไม่ได้คลองจิตที่ว่าเป็นสมบัติอั น, นล้าล้าค่านี้ด้วยอดเบื่อทำเลยแต่จะเป็นเรื่องความพินาศยิบหาย รากาศที่สุดเร็วสามที่สุดก็คือใจดวงที่ถูกทําลายของจากยิเหล็กทั้งหลายลเราให้พากันพิจารณาให้ดีความสงบของใจเป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่เราจะต้องสอบเสวงต้องรักต้องสมนเช่นเดียวกับความไม่สงบ เป็ภัยอันหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังมีน้ําหนักเท่ากันความเห็นภัยกับความเห็นคุณความเห็นภัยก็เพื่อความเห็นคุณระมัดระวังพระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมตามหลักธรรมหลักวิ น, นัยด้วนแล้วตั้งแต่สอนอุบายวิธีเพื่อการป้องกันตัวและรักษาตัววิธีหลบปลีกปิดตัวจากสิท ชั่วช้าหลามบกทั้งหลายด้วยพระปัญญามสามารถของพระองค์เองพร ะ, ระองค์เคยได้รบราค่าฟันกับยิ่เล็กมาแล้วอย่างโชคดไม่มีใครที่จะเกินพระองค์ไปได้แต่พูดถึงเรื่องความสมบุกสมบันความทุกข์ความทรมานด้วยการประกอบความเพราะการประกอบความเปียนเพื่อห้ามหันยิ่เล็กทั้งหลายให้พินาศไปจากค่าไทย ล่ำลือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์หน่พระองค์จึงทรงทราบทุกอุบายวิธีที่เคยได้ต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆด้วยพระอาการอันใดหรือศาสตราอาวุธชนิดใดในบรรดาธรรมที่เป็นข้าศึกหรือเป็นเครื่องปราบตามกิเลสทั้งหลายนั้นยังได้ทรงนำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนพวกเร า, ท, าทรงสอนไว้ในแง่ใด มุมไรขอให้ยึดมาเป็นหลักเกณฑ์เป็นเครื่องป้องกันตัวรักษาตัวในอินเดียบทต่างๆอยาให้เผลอสติเป็นการริสมกับเป็นนักปฏิบัติเพื่อทำทั้งหลายและสมกับเป็นนักปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจา ก, กจิตใจ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 ไม่ว่าจะเป็นความนินทาความตำหนิมันก็เหมือนกับลมพัดผ่านหูไปคู่เดียวยามเดียวเท่านั้นไม่เหมือนเราตำหนิตีเตียนเราแลชช้วชมเชยเราด้วยความสนใจค่ายต่อเหตุต่อผลตำหนิก็ตาหนิ ด, ด้วยเหตุผลแล้วชำระแก้ไขดัดแปงตัวเองด้วยเหตุ และด้วยความเห็นภัยเห็นคุณทั้งสองอย่างมีน้ำหนักเท่ากันผู้เช่นนี้เป็นผู้มีเจตนาอย่างเต็มูมิที่จะต้องกำจัดกิเลสเพื่ออัดเพื่อทำทั้งหลายและมีวันที่จะผ่านพ้นจากทุกภายในจิตใ จ, จไปได้เพราะกิเลสราบภาพลงไปด้วยการปราบปรามของผู้มีความเพียรคติไม่ลดละในอียบทต่างๆ ลงเป็นผู้หนักแน่นเราเป็นนักปฏิบัติมันผู้หนักแน่นทุกแง่ทุกหมุมยาดได้อ่อนแอท้อถอยทํากิจนอกการในใดๆก็ตามให้พึงทราบว่าเรากําลังทําคําว่าเรานี่เป็นตัวตั้งแล้วเป็นตัวประธานแล้วทําเพื่อใครนั่นก็คือทําเพื่อเรา ทำไม่ดีเราดีไหมถ้าทำไม่ดีเราก็ไม่ดีแสดงไปจากเรานี่ยไม่ดีถึงทำไม่ดีทำแบบพอขอไปทีเราก็เป็นคนเพียงขอไปทีเป็นเศษคนไม่ได้เป็นคนเต็มเน็ตเต็มหน่วยไม่ได้เป็นพระเป็นเนเต็มเน็ตเต็มหน่วยเป็นเพียงขอไปทีเนี่ยกว่าเป็นเหมือนกับว่าเศษพระ เรื่องที่อยู่เท่านั้น้วยเหตุนี้จึงสำคัญที่ว่าทำอะไรก็ตามให้ถือคำว่าเราไวเสมอเป็นหลักให่ทำอะไรก็เราเป็นผู้ทำและทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อเราเมื่อเมื่อทำเพื่อเราแล้วสิ่งใดๆ ก, ก็เพื่อเราเราตั้งเป็นผู้จดจ่อต่อเนื่องด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาตั้งจิตตั้งใจทำสิ่งนั้นให้สำเร็จรุ่รงไปได้ด้วยความมีเหตุผล โดยความมีเจตนาโดยความหวังความเรียบร้อยสมบูรณ์จากอยู่นั้นจริงๆเมื่อย้อนเข้ามาสู่ภายในจิตใจคือการประกอบความภาคเพียนภายในใจก็สิ่งเหล่านั้นนะ่ะนิสัยของเราที่เคยฝึกขัดตัดแปลงตัวเองกับหน้าที่การงานภายนอกนั้นประมวลเข้ามาสู่งานภายในก็เอาจริงเอาจังมีเหตุมีผลมีสติสต่างปัญญาค่ายควรจน ทะลุปลูรุงก็ ไ, ได้เพื่อคําว่าเราทำ <c oughs> คือเพื่อเราเนี่ยหลักนิสัยเป็นสิ่งสําคัญมากขอให้พยายามฝึกหลักนิสัยให้เป็นคนจริงจังอย่าอ่อนแอหล่อแหลกสิ่งหา น, นี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเศษเป็นเดนของกิเลสเราไม่ใช่ฆ่าเศษพระเดนอย่านําเข้ามาดื่มให้จิตใจดื่ ม, มกับความอ่อนแอก็แท้ นี่เป็นเศษเป็นเดนของทิเล็สประเภทต่างๆเรามไม่ใช่เป็นคนเศษคนเดนต้องกําจัด น, นี้สิ่งเหล่านี้ออกไปสมาธิภาวนาท่านเขียนไว้ตามตํำรับตําลาเกื่อนไปหมดอธิบายว่าเขียจ น, นเป็นคุ้งเป็นแควสมาธิเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนี้เรามา ปฏิบัติถ้าเห็นองค์ของสมาธิจริงๆจะอยู่ที่ไหนแน่พระพุทธเจ้าทรงชี้เข้ามาในหัวใจนี้สมาธิคือความตั้งมั่นความสงบเย็นใจความตั้งมั่นของใจใจไม่มีสมาธิทําอะไรก็ไม่จริงไม่จังอันเป็นป่าเหตุทนที่จะเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาถ้ามีความสงบเย็นใจมันก็เป็นไปไม่ได้ เมื่อมีความสนใจค่ายต่อสมาธิจริงๆและทาให้เห็นถึงเหตุถึงผลตามหลักที่ท่านสอนไว้จริงๆแล้วคำว่าสมาธิซึ่งเราเคยได้ยินแต่ชื่อได้อ่านแต่ในตำหรับตำนาก็จะมาเห็นภายในใจของเราเองมาอยู่ที่ไหนและอยากเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนนอกไปจากใจดวงที่กำลังไฟโลโดโกรธหลงมันครอบงาเผาอยู่เวลนี้แจ้ให้ดับไฟเหล่านี้ลงได้ ด้วยตปะธรรมไฟดับไฟตะปะธรรมคือความแผดเผากิเลสกิเลสมันเป็นเป็นสิ่งที่ทําจิตใจให้ร้อนตะปะธรรมก็คือความแผดเผากิเลสร้อนต่อร้อนเผากันเป็นข้าวตุกข์กแล้วก็กลายเป็นความเย็นขึ้นมาสมตปะปาความแผดเผากิเลสเมื่ออํหน้าถึงความเพียรวิริยะเพียรเสมอไม่ถอย เอาจกนกระตั้งกิเลสมันราบไปนะอดทนขันติท่านว่านักฟังดิขันติคือความอดความทนต่อหน้าที่การงานทั้งต้นไม่ได้อดทนต่ออะไรแล้วทนต่อสู้กิเลสกิตะมีความรักคข่ใยใจในความเพียรอยู่ชสมน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 เป็นแต่เพียงสิ่งที่มันมืดมิดปิดตานั้นมันไปครอบจิตก็เลยกลายเป็นจิตมืดจิต ด, ดำไปเสียจิตโง่เขาเบาปัญญาเลยกลายเป็นจิตต่ำทรามไปเสียตั้งทั้งที่จิตแท้ไม่ได้ต่ํารามนะไม่ได้ต่ําไม่ได้เลวสิ่งที่เลวนั่นแหละก็ไปเกี่ยวข้องกับจิตเลยกลายเป็นจิตเลวไปได้เมื่อนําระออกด้วยความภาคเพียรของตนเนี่ย สิง น, นี้ก็ค่อยจางหายไปหายไปหายมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานั่นแหละคือผู้ทรงคุณสมบัติที่ท่านเขียนไว้แต่ชื่อในตำหรักตำนาว่าศีนว่าสมาธิว่าปัญญาว่ามรรคผลนิพพานวิมุตตหลุดพ้นเขียนว่านั่นมีแต่ชื่อในคมภีตำนาต่าง อันแท้จริงแท้นะตัวจรจรจรแล้วก็คืออยู่ที่จิตสมาเทก็อยู่ที่จิตปัญญาก็อยู่ที่จิตวิมุตหลุดพ้นก็หลุดพ้นที่จิตพ้นไปจากจิตพ้นที่จิตไม่พ้นไปจากจิตได้นี่จึงเป็นตึดรวมรวมทั้งกิเลสทุกประเภทหนเมื่อแก้ไขยังไม่ได้รวมทั้งมรรคผลนิพพานทุกประเภทเมื่อ แก้ไขด้วยถอดถอนได้ด้วยอำนาจของความเพียรไม่อยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นไม่มีอยู่กับการเวลาชานานลขนาดไหนไม่มีไม่มีอยู่กับสถานที่โนนทีน่นี่ไม่มีมีอยู่กับใจนี่จึงต้องให้จอสติลงไปที่ใจความเพียรลงสู่ใจตามที่ท่านสอนไว้จะไม่ผิดหวัง เอาให้จริงให้จังพยายามฝึกหัดสติให้ดีอยาให้เธอเคยพิจารณาอย่างไรก็ให้มีสติติดตามอย่างน้อยก็ให้เป็นสัมปัตทัยะมีความรู้สึกตัวอยู่ในขณะทํางานคือรู้สึกอยู่ในตัวไม่ได้จำพอจ้อเจาะจงในจุนใจจุนหนึ่งแห่งร่างกายหรือแห่งอวัยวะส่วนใดสด่วนมีความรู้สึกตัว ประจําอยู่ท่านเรียกว่าสัมปัชัญญะเมื่อจาะเข้าไปตรงจุดใดจุดหนึ่งเรียกว่าสติถีงเมื่อสติมีความทําให้ทํานานขึ้นไปก็กลายเป็นสัมปัชัญญะอีกทีนึงแล้วกลายเป็นมหาสติกลายเป็นมหาปัญญาขึ้นจากสติขึ้นจากปัญญาที่เคยล้มลุกคลุก ค, คลานนั่นไปจากไห น, นเมื่อฝึกหลายครั้งหลายฝนฝึกจนเปลี่ยงกายแล้ว ทำนี้ทํานา้นคล่องแถวแก่กล้สา ม, มารถการาบกรามพิเดศได้ทุกประเภทในวัดพิเดศประเภทไหนเนื้อสติปัญญานี้ไปไม่ไกลเอาแค่นี้ก่อนให้ธรรมญาที่บายก่อนนี่ดุ้งเงียบรู้สวรรค์นั้นรู้นรกอันนี้รู้เทพเจ้าเทพผีตรงนี้นั่นเป็น แง่หรือเป็นชนวนที่ให้พระกรรมาฐานเป็นบ้านพากันเข้าใจาไว้เรื่องอย่างนี้ผมไม่ค่อยจะได้อธิบายให้ฟังกา mm hmm. รภาวนาเป็นหลักยืนการความถูกต้องจะได้มากได้น้อยก็เป็นเป็นเครื่องดืนยันหลักแห่งความถูกต้องคือให้จิต ด, ดูภายในจะกําหนดอนาปานนสติก็ให้รู้อยู่กับลมเข้าออก เท่านั้นจากกำหนดบริกรรมบทใดก็ตามให้จิตยึดคำบริกรรมบทนั้นไว้เป็นหลักของตัวเองจิตจะได้สงบหรือรวมกระแสะเข้ามาสู่ตัวเองแล้วเป็นตัวของตัวทรงตัวได้ขึ้นมาจากการยึดคำบริกรรมเป็นหลักถ้าไม่ยึดอันใดเลย คำว่าความรู้นี้รู้ทั่วไปหมดในสนพรพางร่างกายแต่เราจับตัวจริงแห่งความรู้นั้นไม่ไดัหนี่สําคัญด้วยเหตุนี้จอมปรากคือพระพุทธเจ้าของเราทรงสั่งสอนจึงหมายถึงสิ่งที่ยึดของใจในเบื้องต้นเป็นสําคันแม้พระองค์เองเวลาบําทรงบําเพ็ญเมื่อ หันเข้ามาสู่ภายในคืออนาปาทัติที่ทรงะระลึกได้ตั้งแต่สมัยที่ทรงพรยาวเวลาพระราชบิดาพาไปเล่นนาขวัญท่านทรงนั่งทมสมาธิภาวนาของท่านเองท่านมีความสงบร่มเย็นในระยะนั้นจึงได้ย้อนภ่าจิตขาไปถึงจุดนั้นแล้วนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติ วันที่เจริญสั์รู้ธรโดยถืออนาปาล า, าติเป็นหลักของใจในขณะนั้นนั่นคือใจยึดเพอาะใจยังไม่สามารถจะพึ่งตัวเองได้จะไม่มีที่ยึดที่เหนียวเดี๋ยวก่อนเป็นไปไม่ได้เห็นเด็กก็ต้องอาศัยพี่หรือยังเป็นที่รือคนแก่ก็ต้องอาศัยไม่เท้าเป็นที่เนี่ยอีดเมื่อ ยังอ่อนปวกเปียกหาเหตุหาผลอะไรหาหลักเหนไม่ได้จะไม่ถือหลักใดหลักหนึ่งเป็นเครื่องยึดของใจนั้นเป็นไปไม่ได้นี่ให้เข้าใจไวตอนนี้เช่นําบริกรรมเราจะบริกรรมคำใดเช่นพุโทโธรือตาโจอเจสาโลมานาคานตาตาโโจบทไตรปตา์หรือพุโทโธธโมสังโฆตามแต่จริตชอบหรือนกำหนดอนาปานาสติ กำหนดลมหายใจเขาออ้าถ้ากำหนดเพียงลมหายใจเข้าออกมันไม่สนิทใจนักจะกำหนดด้วยพุทเข้าโทรออกก็ได้ตามลมหายใจแต่ว่าไม่ได้ตามเข้าไปข้างนันเพราะมันเป็นการเพิ่มภาระให้แก่จิตซึ่งเริ่มทํางานยังไม่สามารถที่จะรับภาระมากมายกว้างขวางได้ให้ยึดเพียงแต่ว่าลมเข้าก็ให้รู้ลมออกก็ให้รู้ขณะที่ลมสัมผัสแยบ ก็ให้มาพุทธลมสัมผัสแยบเข้าเรียกออกให้พุทธโทพุทธโทเข้าพุทธเข้าโทออกก็ได้หรือสัมผัสแยบพุทธสัมผัสแยบโธก็ได้ถ้าเราจะไปคํานวณคํานึงถึงเรื่องของลมเข้าหรือลมออกนี่ก็เป็นกังวลอีกอันหนึ่งเวลาจิตพิจารณาจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะผมเคยทํามาแล้วนี่คือมันมันจะยึดเอาเฉพาะ ลมที่สัมผัส ย, ยับยับเข้าออกเลยไม่กําหนดเพราะนั้นเป็นความหมายอันของจิตที่ทําให้ยืดเยอะออกไปนุ่มยืดยาวไปนุ่นไปนุ่นออกข้างนอกเข้าไปข้างในมันเลยเป็นภาระอันคอยจ้า อ, อยู่ที่ประตูนะเห็นคนเอาคนเข้าก็ให้รู้ว่าเข้าออกรู้ว่าออกอยู่ที่ยืนอยู่ที่ประตูนั้นท่านั้นนี่แล้วก็าสายจุดที่ลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนคือที่จุดใดถนัดใจของเรา ส่วนมากก็ที่ดั้งจมูกเวลาลมสัมผัสเข้าออกก็ให้กําหนดอย่างนั้นไม่ต้องไปสําคัญมั่นหมายในเรื่องผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างอันนี้ไปสําคัญมั่นหมายไม่ได้จะเกิดความคาดความหมายไปต่างๆเลยลืมองคมภาวนาจิตเลยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เร่ร่อนไปอีกแหละให้ตั้งจิตตั้งสติไว้กับลมสัมผัสเข้า ออกเข้าออกอยู่นั้นไม่ให้เผลอให้อยู่ตรงนั้นมีคําว่าไม่ให้เผลอเป็นหลักสําคัญอย่าแยบไปว่าผลจะไปยังไงอย่าแยบไปว่าลมนี่เข้าไปถึงไหนออกมาถึงไหนเพราะยังไม่ใช่ฐานะของเราที่จะสามารถพิจารณาได้เราเวลานี้เราต้องการหลักยึดของใจให้ใจได้รวมกระแสเข้ามาตามปกติของความรู้นิชาตไปในทิศต่างยึดตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยหลัก คือทำบทไดบทเช่นอนาปานะครับลมหายใจเก็เป็นต้นเป็นเครื่องยึดของจใะให้ยึดติดตรงนั้นตรงนั้นแล้วท่านต่อไปแล้วลมหายใจนี่จะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอยาไปวิโตกวิจารณกับเรื่องคลมละเอียดลมหยาบยาไปคิดยาไปปรุงละเอียดก็ให้ทราบอยู่กับความรู้โดยเฉพาะเฉพาะด้วยสติเฉพาะเฉพาะละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็ให้รู้อยู่โดยเฉพาะเฉพาะอย่าไปคาดหน้าคาดหลังซึ่งเป็นการผิด เคลื่อนจากงานไปแล้วน่ะงานในวงปัจจุบันก็คือกําหนดรู้ลมที่แยบเข้าแยบออกแยบเข้าแยบออกแยบที่ตรงไหนให้กําหนดแค่นะ้จุดเดียวเท่านั้นเพื่อเอาความแน่นอนให้เห็นเหตุเห็นผลของจิตจากหลักภาวนาจริงให้ทําอย่างนั้นจะได้เห็นเหตุเห็นผลจริงๆโดยไม่ต้องสงสัยถ้ายึดหลักนี้ไว้จนกระทั่งลมละเอียดเข้าไปลมะเอียดนี่มันเคยทํำละเอียดเข้าไปจนขนาดที่ว่าหายเงียบไปเลย บางครั้งที่เรารู้ทุระยะระยะระยะระยะไปลมระเอียดลงไปเียวหาเงียบไปเลยในความรู้สึกถ้าเป็นความถนัดใจในขณะนั้นก็เรียกว่าลมดับไปเลยหายเงียบไปเลยไม่มีลมแต่ลมจะมีหรือไม่มีนั้นเราไม่ไปคิดไปพิจิตริจนาให้เสียเวลาและเสียการงานของเราในขณะนั้นเราหลักปัจจุบันเพื่อจิตนี้เท่านั้นเพราะคํำว่าลมไม่ใช่เราจะเอาลมนะ เป็นกัมมุพุทโธทำโมทำครัวเคสารล ม, มานะะัขาตัณฑาจูอันใดก็ตามลมก็ตามเราไม่ได้หวังจะเอาสิ่งเหล่านี้เราหวังจะให้รู้จิตเอาจิตให้ได้เรื่องของจิตนี้ต่างหาแต่ต้องอาศัยสิ่ ง, งนั้นเป็นเครื่องยึดจึงต้องนําสิ่งเหนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเราไม่ต้องการสิ่งเหนั้นเราไม่เอาสิ่งหนั้นก็เหมือนเขาตกปลาเขาไม่ได้เอายือ แต่จำเป็นจะต้องเอาเหยื่อเจ็บท้ายเบ็ดเพื่อเป็นเครื่องล่อปลาไม่งั้นปลาไม่ติดเบ็ดปลาไม่กินเบ็ดเขาต้องเอาเหยื่อล่อพอปลาติดเบ็ดแล้วเหยื่อก็หมดปัญหาไปเองอันนี้ก็เหมือนกันคําบริกรรมใดก็ตามเมื่อจิตได้หลักทรงตัวได้แล้วคําบริกรรมก็ปล่อยเองหากรู้เองในนั้นเนี่ยไปเอ ย, ยก็ไปเรย่ก็ไปคาจนขึ้นคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธกับคำว่าพุโทพโธกับคํามรู้กลมกืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราจะพูดโธหาอะไร เหมือนเราตามโคที่เราไปปล่อยที่ตรงไหนแล้วหากว่าจะไ ป, ไปดักดูที่น่นประดักดูที่นี่ว่าโ ค, จ ะ, นานโคจะไปที่นั่นโคจะไปที่นี่มันก็ไม่แน่ใจเราปล่อยที่ตรงไหนตอนจะไปตามล่าโคมาเข้าข้อแล้วก็ไปที่จุดนั้นไปตามรอยตั้งแต่นั้นไปเลยตามไปตามไปไม่ปล่อยรอยของโคมันเหยียบย่ําไปไหนตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวโคเมื่อไปถึงตัวโคแล้ว รอยโคก็หมดปัญหาไปเองเพราะถึงตัวโคแล้วไม่จำเป็นสาหรับรอยอีกแล้วนักอันนี้เมื่อถึงตัวจริงแห่งความรู้ที่เรียกว่าพุทธะพุทธะมันแท้จริงนั้นแล้วคาบริกรรมทั้งหลายเส่งมเรียเหมือนตามรอยโคก็หมดปัญหาไปนี่หลักสำคัญอยู่ที่ตรงนี้แล้วขณะภาวน า, า, าอย่าไปคิดคาดขึ้นหมายว่าคนนั่น พอนานได้รู้เห็นอย่างนั้นอย่างนั้นรู้เห็นนรกบ้างสวรรค์บ้างพรหมโลกบ้างเปรตบ้างผีบ้างะคนนั้นรู้เห็นอย่างนั้นนั้นแม้ที่สุดประวัติท่านอาจารย์มั่นที่ผมเขียนไว้ก็อยาเอามายึด น, นั่นไม่ใช่ฐานะของเรานั่นฐานะของท่านอาจารย์มัน่นาความสามารถของท่านอาจารย์มั่นยานำมายึดเราไม่ปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแต่สิ่งที่จะเียะสําหรับเราเกี่ยวข้องชลใจในสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มาก ด้วยเห็นนี้จึงต้องขากข้ามไว้ให้เข้าใจให้เป็นที่แน่ใจในขณะภาวนาญาไปสนใจหลักที่เราต้องการก็คือเบื้องต้นได้แก่ความสงบของใจหนึ่งยึดได้เป็นหลักเกณฑ์ว่าใจสงบแล้วใจเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่สงบตั้งแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นๆๆ่านั้นอที่นี้พอใจเข้าสู่ความสงบแล้วเรายึดหลักได้ใจนิ่อย่างแท้จริงเป็นอย่างนี้จิตสงบตัวสงบอย่างนี้นั่นหลักของการภาว น, นา ได้เห็นชัดๆอย่างนี้เองไม่เป็นอย่างอื่นถ้ากําหนดอย่างที่ว่านี้และไม่เนิ่นนานอะไรนักเลยเพราะเราเป็นพระไม่มีหน้าที่การงานอย่างคาราทต้าจัดทํากรรซึ่งวุ่นไปหมดนั่นเป็นเรื่องของโลกไม่ทําอย่างนั้นไม่ได้เรานี่มีผู้อุปถัมภ์บำรุงทุกจริงทุกอย่างประตูปัจจัยธทียทานเฉพาะอย่างาเพร า, า, า, า, าว่าตบบาำมันต่ำมันล้นเหลือเหลือเกินมันท่วมปากท่วมท้องมันจะตายจนหมดแล้วพระนี่จึงทํางอกไม่ได้ น้ำสม้มน้ำหวานน้ำโกโก้กาแฟน้ำอ้ อ, อยน้ำตาล<ม>น้ำแกงน้ำพริกท่วมตลอดเวลาทำอะไรงอกให้ได้นี่เราไม่ต้องวิตกวิจารณ์กับเรื่องสิ่งเดล่านี้ให้มีเรามีทำเรามีหน้าที่อันเดียวคือภาวนาให้ทำหน้าที่อันนี้เท่านั้นมันจะไปไหนกินให้ตามให้ดี จิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้ตามได้ทรมานได้หายพย์ได้ด้วยการฝุกทรมานพระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาแล้วพระสาวกอ ร, ร, รหรันรหันว่าพุทธังสังขังท่า น, นังคาฉามเป็นสารณะของพวกเราได้เพราะท่านฝึกทรมานจิตใจของท่านได้ให้ยึดหลักนี้เป็นเกณฑ์แล้วให้รู้อยู่ภายในอย่าไปสนใจกับเรื่องภาพต่างๆว่าภาพเป็นอ น, นั้นภาพเป็นอันนี้หากกริดนิสัย จะเป็นไปเพื่อความรู้กวามเห็นจริงแบบนั้นหากจะเป็นขึ้นเองตามหลักนสิสัยโบรานโดยไม่ต้องสอบไม่ต้องแสวงขอแต่เพียงจิตสงบแล้วจิตจะแสดงนิสัยอย่างนั้นขึ้นมาเมื่อนิสัยขึ้นเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาแล้วจะเป็นเรื่องเป็นแถวเป็นแนวไปพอเราทราบมาออกกินนี่มันรู้อย่างนั้นอย่างนั้นยิ่งหรือไม่ยิ่งก็ตามแสดงนิสัยขึ้นมาให้ชัดเจนให้เห็นได้ชัด แล้วถ้อยถามูุภาจากแล้วท่านจะแนะวิธีปฏิบัติตอนนิมิตหรือต่อนิสัยเช่นนั้นให้เราได้เป็นที่เข้าใจและปฏิบัติต่อสิ่งเหานั้นได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดดีกว่าตนเองที่จะไปสำคัญมั่นหมายซึ่งส่วนมากมีแต่มโนภาพมโนหลอกมนันหลอกไม่ใช่ความจริงถ้าความจริงแล้วจะออกจากนิสัยไปเสียก่อนโดยไม่ต้องไปคาดหมายเลย แต่นั้นก็รู้วิธีปฏิบัติแล้วทํานิํานานเช่นเดียวกับมีความทำนิํานาญในสมาธิในปัญญาการบําเพ็ญของตนเกี่ยวกับเรื่องการํานานภายนอกเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนตาเรานี่เรามองเห็นสิ่งใดเรารู้สิ่งนั้นนี่ยโกหกเราได้ยังไงตาเราเคยใช้มาตั้งแต่วันเกิดจนมาทั้งป่งานนี้นั่นคือต้นเสานั่นคือผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเราเวลาหนี้นั่นคือผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาเราเวลาหนี้ เขาแต่งเนื้อแต่งตัวตลอดถึงลูกลักษณะเป็นเช่นไรมองดูแผละแผเท่านั้นรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนี่คือตาที่เห็นตามสิ่งที่เป็นจริงหูฟังตามสิ่งที่เป็นจริงพูดเรื่องอะไรคนเป็นภาษาเดียวกันรู้เรื่องกันมีจิตที่มีความคล่องแคล่วแก้วกลาสามารถในสิ่งภายนอกก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกับตาเราเห็นแต่เป็นตาใจอันนั้นยกไว้อย่างหนึ่งนี่เป็นกรณีพิเศษ เร่งสิ่งที่จะปรากฏขึ้นตามนิสัยวาสนาของแต่ละลาย ล, ละซึ่งมีจำนว น, นน้อยมากในสมัยปัจจุบันนี้เราอยากจะพูดว่าร้อยลายจะเอาสักห้าลยก็ทั้งอยากส่วนที่ค่อยเป็นค่อยไปมีสำคัญมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยจะรอแหลงต่ออันตรายจงทำความเข้าใจกับบทภาวนาของตนดังที่กล่าวมานี้อยากให้กิดทะเลสาบออกไปไหนไปรู้สิ่งใดรู้สิ่งใดก็ไม่เลิอดไม่ประเสริฐ ไม่เป็นของจริงังตามหลักแห่งความเพียรเหมือนรู้วาระจิต ท, ที่มันคิดมันปรุงเรื่องอะไรแล้วเหมือนรู้ใจผู้ในึ่งอะใจมันเคลื่อนไหวไปกับกิเลสทกเพศใดให้รู้ด้วยสติให้รู้ด้วยปัญญานี่ชื่อว่าเป็นความรู้แท้เป็นการประกอบความภาคเพียรแท้เป็นภาวนาแท้ให้จับเอาตรงนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษยิ่งกว่ารู้สิ่งใดวิเศษยิ่งกว่าการรู้จิตของตัวเอง ทำให้สงบเอาตรงนี้ <c oughs> อย่าไปคิดคาคิดหมายได้ยินเหมออันนี้เราไม่อยากฟังขี้เกียจฟังเสียไม่น้ำเวลาบางทีเอาเรื่องของอื่นมาเล่าด้วยแล้วเรายิ่งไม่สนใจเลยเรื่องของเขาถูกคนละทวีปเอามายุ่งทําไมเรื่องของเราเป็นยังไงเอาว่าไปมาสิ เราไปพูดตัดตั้งนวนอย่างนี้เลยเรื่อยกับผู้มาศึกษาอบรมกับเราที่มาศึกษาแต่ถามเพรออาะํามยาวเรื่องของคนอื่นมายุ่งเรื่องของตัวเองเป็นยังไงว่ามาถ้ามันมีความเกี่ยโย ง, งคนอื่นก็มาบอกมาเรามีความเกี่ยโยงกับเรื่องของเขาอย่างไรบ้างเรื่องของเราเอาพูดออกมาเ้าพูดอย่างนั้นเลยถ้าไม่มีความเกี่ยวโยงกันแล้วไม่เอามาพูดเสียเวลาไม่จําเป็นต้องตป ว, วินิจฉัยใครยิ่งกว่าการวินิจฉัยตัวเองซึ่งจัดว่าเป็นผู้ประกอบความเพีย ดูตนเองแต่แท้ <c oughs> การดูตัวนั่นแหละเป็นของสัมพัญการดูใจเป็นสิ่งสัมพันธ์ยิ่งหดูเอาให้เห็นไม่จริงทําไมจะไม่เห็นไม่จริงทำไม่ใช่เป็นโมฆะทำสอนไว้อย่างถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเหตุทั้งผลพร้อมอยู่แล้วเวลานี้มันขึ้นอยู่กับเรานี่เท่านั้นที่ทําความาพากเพี้ยนไม่สามารถที่จะรู้ในความจริงสลาาที่พระเจ้าทรงสั่สอนไว้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทำมากเป็นโมฆะ มรรคผลนิพพานสิ้นเขียดสิ้นสมัยอะไรอะไรทํานองนั้นมันเป็นโมฆะบุรุษตาบอดต า, า, ต า, า, ต า, าผ้าตาฝางพูดต่างหากไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าผู้เราอยากไปยืดไม้เขียเวลาเวลาและทำลายจิตใจโทสะ ท, ทั้งๆที่เรมุ่งต่อมรรคผลนิพพานอยู่ใครเป็นศาสดาเอกของเราคนเหล่านั้นไม่ใช่ศาสดราของหลังนี้่เราเปล่งถึงท่านเสมอว่าพูดทงนนางเจนังกระฉามนี่แล้วมันจะเปล่งถึงใครยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่าน